ขอต้นอนรันท่านพลเรือโทวิรุณกองจันทร์กรรมการสภาหมหาเทไลสถาบันมหาวนทยาลราชพัชชัยภูมิท่านธิการบาดีมหาวทยาลัยราชพัชัยภูมิตลอดจนคณะผู้บริหารคณะาจารย์นักศึกษาและสาธุชนทุกท่านนำมาขอขอบคุณสภาหมหาเทไล ราชภัชัยภูมิที่ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับอาตมาซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะอาตมาเอง เ, อเรียนได้อย่างมากก็สูงสุดแค่ปริญญาตรนะีการที่ได้รับปริญญาดุสเดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ก็ถือว่า เป็นเกยียรติยศนั้นหาได้ยากน ะ, ะ, ละสลาสาขาที่ได้มอบถวายอาตมานะคือจุดศาสตร์การพัฒนาที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องของอผลงานในด้านนี้อาตมาก็ยังรู้สึกว่ายังทำงานได้น้อยนะแล้วขอบเขตก็ค่อนข้างจำกัดนะแต่ก็มีความยินดีนะที่ สิ่งที่ได้ทำนั้นโดยสายความร่วมแรงร่วมใจจากสาธารณมิกและเครื่อข่ายญาติโยมตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับนะของสถาบันทางวิชาการอย่างไมทยายรัชพัฒชัยภูมิพูดถึงการพัฒนาคำว่าการพัฒนาที่จริงแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ เป็นแนวคิดที่มาในเมืองไทยก็ประมาณห0สปีที่แล้วนี่เองอาตมาได้เกิดในยุคที่บ้านเมืองเริ่มมีการพัฒนาประเทศกันอย่างขนาดใหญ่คือประมาณสอง0นะ้าร้อะซึ่งเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพัฒนานะตอนเด็กๆจำได้ว่า มีเพลงเพลงหนึ่งนะนที่แพร่หลายมากนะคือเพลงผู้ใหญ่ลีนะก็เริ่มต้นด้วยว่าพอสองสามทศวรรษสีนะผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมนะพวกเราที่อายุ50ปีขึ้นไปคงจำได้นะเพลงผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมมันทำไมนะก็เพื่อแจ้งว่าทางการนะให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดละสุกรนะ ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อตาสีหัวครอนถามว่าสุกรนั่นคืออะไรผู้ใหญ่ลีก็ลุกขึ้นตอบทันใดว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกบรรยากาศของการพัฒนาโดยเฉพาะในภาคอีสานเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วคือว่ารัฐบาลก็มีการพัฒนานขานานใหญ่ก็มีคำสั่งลงมามีมาตรการต่างๆมากมายรวมทั้งมาตรการให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดและสุกร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 ก็คือการทำให้เจริญการทำให้เจริญซึ่งมีความหมายท่านในแง่ทำให้มากแล้วก็ทำให้ดีขึ้นก็ตรงกับคำว่าพัฒนาที่จริงแล้วเนี่ยคำพนาเนี่ยเป็นเรื่องการทำให้เกิดความองอกงามในส่วนที่ดีในขณะที่คำว่าวัฒนะหรือว่าพัฒนานี่อาจจะหมายถึงการเพิ่มในเชิงปริมาณก็ได้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 ไม่หิวโหวยไม่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ถึงกับเกินเลยยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าคนหิวโหวยจะน้อยลงสมัยส0สิปีเนี่ยคนขาดอาหารตายนี่มีเยอะโดยเฉพาะในชนบทภาคอีสานแต่ทีนี้การขาดอาหารนะหมดไปแล้วนะเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความล้นเกินก็คือว่า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 ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นไม่ใช่แต่เฉพาะไม่ละเมิดศิทธห้าแต่สามารถจะทําได้มากกว่า น, นั้นด้วยมีศีลภาวนา่ไม่พอนะต้องมีจิตภาวนาก็คือว่ามีจิตใจที่สงบไม่เครียดผ่อนคลายเป็นสุขนะไร้ความวิตกกังวลพู้ง่ายคือว่าแสดงออกด้วยอาการที่เรียกว่า นะอยู่เย็นเป็นสุขนะแม่อยู่ร้อนนอนทุกขนะ์แต่พอนาสามประการแล้วนี่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะต้องอันที่สี่ก็คือปัญญาภาวนาคือการที่มีความเห็นชอบมีความเข้าใจในเรื่องชีวิตรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้องเช่นรู้ว่าความสุขนั้นเนี่ยไม่ได้เ ก, กาไม่ได้เกิดจากการเสพการบริโภค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 ใจิตใจก็เป็นปกติไม่ทุกร้อนกลางคืนนอนก็ไม่เอามือปกไก่หน้าผากด้วยความกลุ้มอกกุ้มใจเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ ก, กลุ้มใจเพราะรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาภาวนาเนี่ยก็ทําให้มีชีวิตที่ผาสุขทั้งกายและใจ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 ห้ปีที่ผ่านมานับแต่การ พ, พัฒนาในเรื่องศีลธรรวนานะสังคมสังคมที่ดีก็ต้องเกื้อกูลให้คนเนี่ยมีความเมือเฟือเกื้อกูลกั น, กนหรืออย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนกันผู้คนมีความยักยั้งชั่งใจในการเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวกฎหมายหรือเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนะการพัฒนาตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาในปัจจุบันเพราะว่าแม้เศรษฐกษิจจะดีแม้ความพร่องพร่องทวัตถุจะมากแต่ว่าการเอาเปรียบเบียดเบียนกันก็ยังไม่ได้ลดลากลับเพิ่มมากขึ้นในรูปของอาชญา ก, กรรมอาชญากรขโมยก็มีมากขึ้นผู้คนจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเพาะในเมือง กลงางค่ำกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าต้องระแวงต้องระวังอันตรายจากมิจฉาชีพยังไม่ต้องพูดถึงการเบียดเบียนเอาระดับเปียบทางเศรษฐกิจหรือว่าการข่มเหงคนเองร้ายด้วยความเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรือเพราะความแตกต่างทางเศรษฐกิจคนรวยเอาเปียบคนจนหรือว่าคนในเมือง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 บริโภคมากขึ้นก็ยิ่งทำให้จิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือว่าพุ่งครั่งนะก็ทำให้เป็นทุกข์ทางจิตใจมากขึ้นเป็นปัญหาคนสมัยนี้ยิ่งมาดูถึงจํานวนสถิติคนข่าตัวตายแล้วนะก็ยิ่งเห็นชัดว่าคนทุกวันนี้มีความทุกข์ใจมากแม้ว่าจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นก็าตามจิตจิตภาวนาแล้วเนี่ยมันก็โยงไปถึงปัญญาภาวนา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 จิตใ จ, ใจวันไหวเดี๋ยวนี้ค่าตัวตายนะเพราะว่าถูกคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กก็มีนะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตและปัญญาที่ไม่ได้รับการพัฒนาท่านังที่ผู้คนมีระดับความรู้สูงขึ้นเรื่อยๆมีปริญญาคนที่มีปริญญาโดยเฉลี่ยแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้การ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 มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีการวางระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมรวมทั้งท่านนิยมที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเบียดเบียนกันน้อยลงมีอาชญากรรมน้อยลงเรียกว่ามีกายภาวนาและศีลภาวนาสิ่งว่าล้อมก็ดีน้ำก็น้ำมากาศก็บริสุทธิ์อย่างเช่นในสังคมตะวันตกนี่นะก็เรียกว่ากภวนาและศศีลภาวนา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 เมื่อเทียบกับปีที่ก่อนทําแล้วก็น้อยลงเมื่อเทียบกับอีกย่านหนึ่งทึ่งอยู่ใกล้ๆกันหางกล้ไม่ถึงสองกิโลเป็นย่านคนตนแต่เขาไม่ทําอะไรเลยย่านนั้นอาจยากรรม่งเยอะแต่ย่านที่เขาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีปรากฏว่าอาจยากรรมลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้มีการกวาดจับกันไม่ได้มีการเพิ่มโทษ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 จะทำอะไรตามใจไม่ได้นะนถ้าทําอะไรตามใจนี่แม้แต่เล็กน้อยก็ถูกจับถูกปรับได้นะคนก็เริ่มมีความจับยั้ชั่งใจและการที่จะทําอะไรที่เลยไปจนถึงขั้นปล้นจี้หรือฆ่าก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะบ่มเพอยคนเนี่ยมีสํานึกมีศีลธรรมโดยที่ไม่จะเป็นต้องไป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 อย่างเช่นมีเมืองหนึ่งในสวยอ น, นี้ผู้เจ้าได้ตัดไว้ว่ามีเมืองมเมืองหนึ่งเนี่ยอาจากรรมเยอะมากพระราชาก็คิดว่าจะต้องเพิ่มโทษทะลุแรงขึ้นประหารชีวิตบ้างทรมานบ้างแต่ว่าพราหมณ์ปุโรหิตบอกว่าทําอย่างนั้นจะทําให้เกิดอาจากรรมรุนแรงขึ้นพราหมณ์เสนอว่าให้กระจายพศสารให้ทั่วถึงมอบหรือให้พืชพันธุ แก่ชาวนาอย่างทั่วถึงให้เงินทุนแก่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นทุนในการทำการค้าให้ทั่วถึงให้เบี้ยหวัดเงินเดือ น, นแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึงแล้วจนผู้ธละก็จะหมดไปพระราชาก็เชื่อและทำตามปรากฏว่าจนผู้ธละก็หมดไปจริงๆบ้านเรือนไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องล็อกประตูเด็กก็ฟอ้อนราอยู่ในอกอ ก, อกแม่พ่อผู้คนมีความสุข อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าพรามเนเนี่ยที่จริงแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้ายกขึ้นมายกเรื่องนี้ขึ้นมาสมสังว่าพราหมณ์นี้พูดแทนพระพุทธองค์การที่อาชญากรรมลดลงนะจนขโมยลด ล, ลงเนี่ยไม่ใช่เพราะมีการเทศนาสั่งสอนหรือว่าเพิ่มโทษอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะมีการกระจายพกทระสอบอย่างทั่วถึงก็ช่วยลด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 หรือไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกับอะไรได้เลยก็จะทําให้จิตใจสงบเย็นอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะของการพัฒนาก็ได้เคยไปรู้จักบาทหลวงท่านหนึ่งนะเป็นระดับบิชอปท่านเขียนหนังสือเรื่องนึงชื่อว่าหัวใจของการปฏิวัตินะคือการปฏิวัติหัวใจนะ จริงเนี่ยเอามายงเรื่องการพัฒนาได้เลยนะหัวใจขการพัฒนาคือการพัฒนาหัวใจคือการพัฒนาทัศนติพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อทำให้เกิดสัมาราทิฏฐิทำให้เกิดความเข้าใจในความจริงของชีวิตรู้ว่าเกิดมาหรือดารงอยู่เพื่ออะไรรู้ว่าความสุขที่แท้คืออะไรสิ่งนี้ก็ทํทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยสามารถจะดาเนินชีวิตไปได้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 ในเรื่องของจิตใจโดยสายหลักสถิติฐานสี่ทั้งหมดนี้ก็มีหลวงพ่อคำเขียนนะเป็นแบบอย่างที่จริงท่านก็เป็นแบบอย่างท่านในองค์การพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาชุมชนหลวงพ่อท่านทามาตั้งแต่3าสิปีที่แล้วต่อมาก็ที่จริงก็ได้เรียนรู้จักหลวงพ่อมากนะครับสิ่งที่ได้ทำนะ ก็เป็นอ น, นิสงส์จากการที่ได้เรียนรู้จากหลวงพอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ที่ทางสภามาเทลัยราชภัฒชายภูมิถวายกับอตามะนที่จริงแล้วนี่ก็สํตาตลอดตมาก็ถือว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ได้เรียนรู้ได้อยู่กับหลวงพ่อกำเขียนซึ่งท่านได้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นนันแล้วก็เป็นให้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 จนเห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การที่จะถวายปริญญาดุสเดบมดิกิติมาสังให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการขอบคุณทางสภาเ ห, หมาเทลัยรัชพัชรชัยภูมิแล้วก็ต้องขอบคุณสาสธรรมิกนะเพื่อนพระนะทั้งที่วัดป่าสุกโตวัดป่าหมหาวันแล้วก็รวมทั้งชาววัดทั้งที่เป็นแม่ชีนัก บ, บวชอุบาสออบาิกานะถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน ในปริญญาที่ทางมหาอุทัยได้มอบให้อันท้าที่สุดนี้ก็อาตมาก็คงจะไม่มีอะไรที่จะกล่าวนอกจากอารัธนาคุณพระสิรัตนตรัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านตั้งแต่ท่านที่ปรึกษาสปารมหาอุทัยที่ปรึกษาธิการบดีพลเรือโทวิรุณกองจันทร์กำตาสปารมหาอุทัยท่านคณะท่าธิการบดีคณะบดีคณาจารย์ทั้งหลาย